ทรงประชุมสองบัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสอ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีฉาวพักีไปดูการฟ้อนรำบ้างการขับร้องบ้างการประโคมดนตรีบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า